ดูกรสิวิกะว่างั้นนะสหผู้สหายว่างั้นท่านจงลุกขึ้นอย่าชักช้าอย่าครั่นคลามจงควักดวงตาทั้งสองของเราให้แก่วณิพกหมอสิวิกะนั้นเราเตือนแล้วก็เชื่อฟังคําของเราได้ควักดวงตาทั้งสองดุดจาวตานให้แก่ผู้ขอ ท, ทันทีอธิบายว่ามาทันทยิอย่าชักช้านะสหายท่านจงทํากิจของเราการให้ดวงตาของเรานี่อย่าช้านะ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 แม้ครั้งที่สาหมอก็ผสมเพศัชให้แรงกว่าเก่าแล้วก็โรยลงไปพระเนตรของพระโพธิสัตว์ก็หลุดจากเบ้าด้วยกำลังแห่งยาห้อยหยุดห้อยห้อยหลุดลงมาเหมือนตาปูเนี่ยนะสายเอ็นก็เกิดทุกขเวทนาอย่างรุนแรงเลือดก็ชุ่มนะเลือดก็ไหลอาบสนมกำนันก็ร้องให้ไปหมดนะนะอมาัดก็หมอบลงแท่าบาดของพระราชาร้องให้คร่ำครวญว่า ค่ะแต่พระองค์ขอพระองค์อย่าพระราชทานดวงพระเนธทั้งสองเลยอย่าพระหน้า อ, อย่าพระราชทานดวงพระเนธทั้งสองเลยเนี่ยนะแต่ควักดวงตาให้เป็นทานอย่างเงี้ยแม้ช่วยกันห้ามก็บอกถ้าบอกว่าตาของพระองค์นะถ้าไม่ควักออกพระองค์จะตายภายในสามวันอย่างเงี้ยนะโอ้รีบควักออกไปเลยอย่างเงี้นะก็จริงกไ็ไอควักทิ้งเหมือนเดิมแต่บางคนเนี่ยควักได้แล้วได้บุญแต่อีกบางคนเนี่ยควักแล้วก็เสื่อมจากบุญเนี่ยนะท่าน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 โอ้ยว่าอะไรนะสุทินังนายเนตนะก็คือนยะนยานยนาะก็คือตาใช่ไหมโอ้เป็นการให้อย่างดีมันนะโอกาสที่จะให้แบบนี้ไปหาที่ไหนก็พระราชทานดวงเนตไปอีกครั้งหนึ่งเทา้าสกา ก, ก็กระทำอย่างเดิมเทา้าสกา ก, ก็กลับไปกลับไปเทวโลกไม่ช้านักพระเนตรของพระราชายังไม่ถึงเป็นหลุม นะก็คือมีก้อนเนื้อขึ้นมาก้อนนะนะเป็นก้อนเนี่ยมาคลุกคลีแล้วก็หนังตานี่ก็ปิดเอาไว้เหมือนกับปิดด้วยผ้ากำพลอ่นะงอกขึ้นดุดรูปวิจิตก็งดงามไม่กี่วันก็ทุกความทุกข์ก็หายไปเนี่ยนะนะเพราะว่าได้หมอดีอ่ะนะครั้งนั้นพระโพธิสัตว์ก็ประทับอยู่นั่งอยู่ในปราสาทสองสาวันก็คิดว่าคนตาบอดจะครองราชสมบัติไปทาไม เราจากมอบราชสมบัติให้แก่อามาตย์ทั้งหลายแล้วก็ไปอุทยานบวชบำเพ็ญสมณะธรรมแล้วก็เล่าเนื้อความเหล่านั้นให้แก่อามาตย์อามาตย์ก็พระองค์ก็ตรัสว่าราชบุรุษคนหนึ่งทำหน้าที่ละนะถวายน้าล้างหน้าเป็นต้นจงอยู่กับเราในที่สรีระกิจเข้าห้องน้ำเป็นต้นก็ผูกเชือกเอาไว้ให้แก่เราพระองค์ก็ขึ้นเสลียงนะก็เสด็จไป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 ทีนี้เพื่อจะให้ดวงตาข้างที่สองเกิดขึ้นพระองค์ก็ตรัสสัจจะอธิฐานต่อไปว่าพราหมณ์นั้นมาเพื่อขอกราว่าขอท่านจงให้ดวงตาเถิดเราได้ให้ดวงตาทั้งสองนั้นแก่พราหมณ์ผู้ขอปีติเป็นล้นพ้นได้ถึงแล้วแก่เราเกิดความสมนัสไม่น้อยนะคือความโสมนัสได้บังเกิดขึ้นแก่เราด้วยสัจจวาจานี้ขอดวงตาดวงที่สองจงเกิดขึ้นแก่เราเถอด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 เพราะเหตุแห่งโพธิญาณ น, นั่นเองคือจักรสุทานนั่นอะ่ะเป็นเหตุแห่งสัพพัญยุตยานถ้าไม่ให้อย่างนี้เนี่ยนะสัพพัญยูจะเกิดขึ้นได้หรือเราได้ทําในสิ่งที่ทําได้ยากอย่างนี้ก็เพราะพระสัพพัญยุตยานเนี่ยหาได้ยากพระสัพพุทธพระสัพพัญยุตยานเนี่ยนะเป็นสิ่งที่หาได้ยากพระองค์จึงตรัสว่าดวงตาของเราเนี่ยนะจะไม่เป็นที่รักก็าหาไม่ได้ถึงอัตภาพของเรา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 หลังจากที่พระโพธิสัตว์เนี่ยนะตั้งสัจจะอธิษฐานดวงตาเกิดขึ้นแล้วเทาว้าสก arga ก, ก็ทําอนุภาพแสดงสักกานุภาพเนี่ยนะอนุภาพของเทา้าสกกะให้ประชุมชนมาประชุมกันเทา้าสก a r ก็ประทับยืนท่ามกลางมหาชนยืนบนอากาศนะสรรเสริญพระโพธิสัตว์ว่าท่านผู้ยังชาวสีพีให้เจริญคาถาทั้งหลายท่านกล่าวโดยธรรม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 คาถาที่กล่าวเมื่อกี้เนี่ยพระโพธิสัตว์กล่าวทุกทุกวัน15้าคำทุกทุกสิบ5้าวันพระองค์ก็แสดงธรรมอย่างนี้ทุก15้าวันมหาชนได้ฟังคำอันนั้นแล้วก็ให้ทานเป็นอย่างมากอ น, นเห็นผลแห่งการให้เห็นพระอินเห็นอะไรเป็นต้นก็เลยน้อมไปเพื่อการให้หมอครั้งนั้นก็คือพระอนนทในครั้งนี้เท้าสักกะก็คือพระอนุรุทธะนะพุทธบริษัท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 จะเห็นว่ามหากุศลของพระองค์เนี่ยมากมายจริงๆนะนะมหากุศลเหล่านั้นเนี่ยลังไหลยเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นอะไรนะซัดนิรันตระนะนิรันดรนอ่ะคือสืบเนื่องในการให้เพราะใจเนี่ยน้อมไปเพื่อจากการให้ยังคิดต่อไปเมื่อไรเนาะจะมีใครๆมาหาเราแล้วขอยทยยรรมอันเป็นวัตถุภายใน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 นะนะไปเกิดเป็นเต่าให้เขาควักหัวใจเอามาวิจัยเล่นๆเนี่ยได้แต่ว่าเนี่ยนะเขาบอกว่าบางกลุ่มที่จะวิจัยเนี่ยนะวิจัยหัวใจนี่เขาเอาหัวใจเต่ามาวิจัยก็บาบอกงั้นแต่ถ้าเกิดไปชาติเป็นเต่าแล้นะให้เขาเอาควักหัวใจมาผ่าเล่นๆอันนี้ได้ยอมเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นให้ควักดวงใจมาเชือดเฉือม เ, เล่นเนี่ยยอมแต่ว่าไอ้จิตที่น้อมไปเพื่อจะทําบุญเนี่ยไม่ยอม เนั้นดวงใจที่ตะนีตะนีนั่นแหละก็มาเกิดเป็นเต่าให้เขาควักผ่าหัวใจเล่นๆเหมางนกันผ่าก็เล่นจริงๆนะบางทีก็ตายฟรีก็มีส่วนใหญ่ก็ตายฟรีทั้งนั้นอยู่แล้วเพราะเต่าได้รางวัลอะไรไหมไม่ได้ก็ตายฟรีอยู่แล้วล่ะเชื่ออตายด้วยโธสักควักหัวใจกว่าจะตายเนี่ยจะเปไหนโน้น no, เนี่ยนะก็ว่าพวกควักเออคร่า ว, วิจัยก็ผ่าหัวใจเต่าเนี่ยแหละเป็นเครื่องวิจัยเพราะฉะนั้นก็โอ้ยน่าสงสารเต่าเนาะ น่าสงสารคนผ่ามากกว่าเตา่าเตา่เตารับกรรมเก่าไอ้คนผ่านี่สิจะถูกพาย ก, กี่พบกี่ชาติน้อเนี่ยนะพันว่างว่า ง, างชาติอื่นๆเขาว่างว่างเขาก็ควักหัวใจออกมาเล่นดูบุญก็ไม่ได้เจ็บตั้งหากอนะีกลยบางคน น, งนี่ถูกผา่าอกผ่าท้องเนี่ถูกผ่าประจำแต่อิจิตจะให้ก็ไม่มีนะพอผา่ารักษาหายมา ร, ร้องรำทำเพลงขี้เล่าเมายาต่อไปอีกนะชีวิตของสัตว์โลกเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยนะก็เลยเฝ้าอยู่ในกองทุกข์จมอยู่แต่ในกองทุกข์เนี่ยนะ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 อกุศลน้อมไปเพื่อจะแล่เพื่อที่จะเถือเอาเนื้อของสัตว์อื่นไม่รู้กว่าตัวเองนี่จะถูกแล่ถูกเถือวันไหนก็ไม่ทราบเนี่ยนะพระพุทธศาสนาเขาบอกว่าหากคนอื่นพึงขอเลือดกับเราเอาดาบแทงหรือสอดเข้าไปในปากแห่งสรีระของเราแล้วนําเอาภาชนะเข้าไปร้องจนเต็มเราก็จะให้เลือดเนี่ยนะบางคนประสบอุบัติเหตุถูกอะไรทิ่มแทงเลือดเสียได้แต่ว่าไปบริจาคเลือดให้การชาติทําไม่ได้เนี่ยนะ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 เราก็จะเปลื่องเครื่องเครื่องทรงของพราชามอบตนให้แก่เขาแล้วไปเป็นคนรับใช้ของเขาถ้าหากว่าใครๆจะพึงขอในตาของเราเราก็จะควักในตาดุดนำจาวตาลออกฉะนั้นให้แก่เขาคือพระโพธิสัตว์เนี่ยนะเป็นพูดถึงความชำนาญอันที่เรียกว่าคนอื่นทำไม่ได้เขาบอกว่าใจของคนอื่นได้ฟังยังใจไม่ปกติเลยนะทใจไม่ได้นะ แต่ว่าท่านทําได้อย่างโยมคนหนึ่งก็บอกว่าโอ้ยไม่กล้าคิดอย่างนี้แค่คิดปั๊บใจนี่แป้วเลยนะเครียดเลยนะแต่ว่าพระโพธิสัตว์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นมีความสุขที่จะให้ท่านเนี่ยเป็นผู้ที่จิตคิดจะให้น้อมไปเพื่อแตจะให้มีอะไรบ้างที่ให้ไม่ได้เพื่อโพธิญาณเนี่ยนะจริงๆะนะชาวโลกทั้งหลายเนี่ยนะเขบอกว่าฆ่าลูกฆ่าเมียฆ่าผัวฆ่าอะไรเพื่อตัวเองได้เป็นยศเป็นใหญ่เป็นอะไรยังทําได้ใช่ไหย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 ไม่ได้อะไรอาวนศสียดายเลยนะเพราะพระองค์ได้ปีติโสมนัสในบุญกุศลที่ได้เจริญไปเนี่ยนะนะอันนี้เป็นเป็นบุญของพระองค์ที่พระองค์ได้สร้างเนี่ยนะนะตั้งปฏิบัติแล้วการทำบุญของพระองค์ก็เป็นการทำบุญเพื่อการทำบุญยิ่งยิ่งขึ้นไปจากอุปนิสัย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 เป็นบุญเป็นกุศลของเรามากแล้วเนี่ยนะที่ได้ตั้งตกตั้งใจที่จะศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติตามให้เจริญงอกงามเพราะว่าพระองค์ที่ทําทั้งหมดก็พระองค์ทําเพื่อความตรัสรู้เมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วจะได้ช่วยให้เราตรัสรู้แต่ไม่ได้บอกให้เราไปทําตามเนี่ยนะนะบางคนนี่ก็เรียกอะไรนะชอบเดินไปตามรอยตามเท้าท่านไปหมดท่านก็บอกว่าอะไรนะเหมือนอย่างว่า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 ทำทุกอย่างเนี่ยนะว่าพราะองค์ทําทุกอย่างเพื่อเราเราก็กลับไปคิดอะไรก็ไม่รู้ไปคิดในสิ่งที่มันยากๆคิดในสิ่งที่ตัวเองทําไม่ได้มีเหตุผลจนไม่ได้เจริญกุศลหลายคนเนี่ยมีเหตุผลจนไม่ต้องศึกษาพระธรรมเนี่ยนะเหตุมีเหตุผลบอกไอ้คนรังเรามันฉลาดน้อยเราไม่มีปัญญาหรือจะต้องไปเรียนอันโน้นเรียนอันนี้จะได้เข้าใจยิ่งยิ่งขึ้นไปอุย้ยหาเหตุผลจนไม่ต้องเรียนเหมือนกันสรุปหาเหตุผลจนไม่ได้เรียนเพราะมันยากเกินไป มันยากทางใจหรือว่าเนื้อหามันยาก่จริงเนื้อหามันก็ภาษามนุษย์อยู่แล้วนะที่เรียนรู้ได้เข้าใจได้ฟังก็เข้าใจ ท, ทันทีแต่ว่าหาเหตุผลจนมันยากยากยากยา ก, ก็เลยมันยากทางใจอ่ะนะก็เรียกว่าเป็นจิตใจตกยากแล้วก็ตกยากอย่างใจคิดจริงๆอ่ะนะเพราะอะไรเพราะความคิดมันตกยากอยู่แล้วมูสัต ท, ทั้งหลาย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 พระเวสสันดรเนี่ยคงเอาไว้วันหลังอ่ะเนาะไว้พรุ่งนี้ดีกว่าถ้าต่อวันนี้ก็ไม่ต้องจบแล้วนอนห้าทุ่มไม่ต้องไปไหนแล้วนะนอนอยู่นี่พรุ่งนี้ฟังต่อเงนี้เลยจากเจนพรวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้นะอนุโมทนาด้วยนะเจนพรนะให้เจริญงอกงามในศาสนาของภาษาสดาศึกษาพระธรรมเพื่อความดับทุกข์